ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่53โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่53ให้คติธรรมว่ามารดาบิดาท่านว่าเป็นพรมของบท คำว่ามารดาบิดาคือพ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้กําเนิดพวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่มีใครจะปฏิเสธว่าเราไม่ได้เกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เมื่อท่านให้กําเนิดแล้วท่านก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราแบเบาะยังไม่รู้เรียงสรรภาวะท่านก็ให้ ดูแลเราประครบประงมอย่างดีที่สุดถ้าจะว่าเปรียบเทียบกับพระเจ้าก็ไม่น่าจะแพ้กันคือเป็นผู้ประทานให้พวกเราทุกอย่างถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ประทานความอบอุ่นให้กับเราไม่ประทานอาหารให้กับเราไม่ประทานการดูแลเลี้ยงดูเราคิดว่าเราจะใหญ่ขึ้นมาได้ไหมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยแหละถ้าจะเปรียบเทียบก็คือ พ่อแม่เหมือนพระเจ้าหรือว่าเป็นพรมพร ม, มวิหารเมตตากรุณามมทิตาของบุตรทิดาแล้วก็พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตริดาเป็นผู้สูงสุดของบุตริดาแล้วก็พ่อแม่เป็นบุคพาราจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตริดาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาจากพ่อแม่ พวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมพระคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาให้พวกเรานึกย้อนหลังดูถ้าว่าพวกเราเออผู้ใดได้ลูกมาพวกเราก็คงจะสำนึกได้ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราก็คงเหมือนกับเราเลี้ยงดูลูกของเราเ อ, อ, อย่างพระเจ้าพิมพ์พิสารกับพระเจ้าอาซาตสัตรูพระเจ้าอาซาตสตรู ได้ลงโทษพระบิดาได้ขังพระบิดาได้สําเร็จโทษพระบิดาจากนั้นเมื่อพระบิดาสวรรคตตัวเองก็ได้ลูกมาพอได้ลูกมาก็ลําลึกถึงว่าตัวเองเนี่ยรักลูกมากแล้วก็ลําลึกถึงพ่อว่าพ่อเนี่ยคงจะรักเราเหมือนกับเรารักลูกเออก็เข้าไปถามพระมารดาพระมารดาเขาว่าใช่พระบิดาของท่านรักลูกมากขนาด เป็นฝียังดูดแล้วก็ไม่คายทิ้งกืนค่ะทั้งฝีหนองเข้าไปในปากกืนเข้าไปในท้องเลยนี่แหละพระบิดารักลูกถึงขนาดนั้นแต่พระเจ้าสาตูก็มีแต่ความเสียใจพ่อตัวเองเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วจึงรำลึกพระคุณถึงคุณพ่อได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้สาธกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังในขณะนี้อยู่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สํานึกถึงพระคุณของพ่อของเราแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณยิ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้พวกเราทุกอย่างเราอยากจะเรียนหนังสือพระเจ้าคือพ่อแม่ก็ประทาน ให้การศึกษากับพวกเราเราจะไปเรียนหนังสือที่ไหนท่านก็หาทุนให้ประทานให้พวกเราก็ได้เรียนได้ศึกษาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แต่ถึงเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ก็เถอะพวกเราก็ยังได้รับทุนที่พ่อแม่ให้ทุนคือที่ดินที่ทำมาหาเลี้ยงชีพแบ่งมรดกให้อีกต่างหากเพราะท่านได้เตรียมไว้เพื่อพวกลูกของท่าน เพราะนั้นพระคุณของบิดามารดาท่านว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีอันไหนพระคุณไหนที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของบิดามารดาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ได้ศึกษาธรรมะในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พวกเราตรวจตราดูว่าที่หลวงพ่อได้พูดไปนี้เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน แลวกับ mp สแผ่น53นี้ก็งจะมีบทใดกันใดกันหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดาให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัตธ์รพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยอำนาจปุญบรารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาด้วยอานาจคุณบิดามารดาคอยคุ้มครองพวกเรา จงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทิน